อในพระสูตรโมคลานะสังยุตเนี่ยนะมันถ้าหากว่าเราค่อยๆทำความเข้าใจให้ดีๆเนี่ยนะะความรู้ความเข้าใจอันนี้แหละภาษาธรรมะใช้คําว่าทรัพย์นนะตัวความเข้าใจนี้เป็นทรับเขาเรียกว่าอริยรัพย์อริยซัพบเนี่ยมีอยู่เจดประการด้วยกันหนึ่งศรัทธาอริยรัพย์คือศรัทธาความสบายใจของเราอะใจของเราน่ยเป็นทรัพย์ชนิดหนึ่ง โลกนี้เขาแบ่งเป็นทรัพย์อยู่สองอย่างทรัพย์ทางกายกับทรัพย์ทางใจเขาเรียกว่าโภอทรัพย์กับอริยทรัพย์โภอทรัพย์คืออะไรก็คือบ้านช่องห้องหอเลือกสวนไร่นาที่ทํามาหากินข้าวของเครื่องใช้แก้วแหวนเงินทองบุตรภรยาฆ่าทาสกรรมกรเป็นต้นน่ยนะสิ่งเหล่านี้เราเรียกกันว่าโภอทรัพย์และอริยทรัพย์ล่ะนะพ่อทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในกาย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 เช่นความหมายว่าไกลจากกิเลสกรรมจัดฆ่าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรควรแก่ปัจใจสี่แล้วก็ไม่มีความลับในการกระทําบาปอยู่ไกลคนเลวอยู่ใกล้ต่อคนดีและคนที่ดีเขาจะไม่ทอดทิ้งพระองค์และพระองค์เนี่ยไม่มีบาปปักกรรมเป็นคนที่ไม่มีบาปไม่เปื้อนบาป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 เราอยากจะทําอะไรอย่างที่เราอยากทําไม่ได้หรือทําไมเราต้องไปเป็นทาสพระพุทธเจ้าด้วยนะขอเป็นทาสข้าพระเจ้าไม่ได้หรือขอเป็นทาสก่ตัวเองได้ไหมขอรับใช้ตัวเองตลอดไปนะมาขอพักดีต่อตัวเองตลอดไปว่างั้นทําไมจะต้องมานับถือพระพุทธเจ้าด้วยก็เราก็เป็นคนอ่ะนะในจํานวนคนทั้งหลายเราก็คนคนหนึ่งเราจะขอเชื่อตัวเองได้ไหมนะถ้าเชื่อความโกรธแตะความโกรธจะสอนเราทําอะไร่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 ไม่เชื่อใจตัวเองแล้วขอเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าไงก็อย่างนั้นแหละขอปฏิบัติตามขอพูดตามขอรู้ตามมาถามทําไมและพระธรรมที่พระองค์แสดงเป็นธรรมเครื่องนําออกจากทุกข์พรเชื่อตัวเองไม่ยิ่งยิ่งเชื่อมากยิ่งทุกมากนะลองเชื่อพระพุทธเจ้าดูมบางท่านก็บอกขอเชื่อพระพุทธเจ้าทั้งชาติดูสักชาติดูซิทำไมพ้นทุกชาติหน้าแล้วค่อยว่าใหม่นี่นะถามว่าทำไมเขาจึงบอกอย่างนั้น ก็พ่อชาติหน้าพระพุทธศาสนาก็แทบไม่มีแล้วว่ั้นนะมาเกิดผิดที่ก็ยากแล้วที่จะได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเพราะเหลือน้อยเต็มที่เพราะฉะนั้นบบต่อไปนะได้เชื่อตัวเองเต็มที่เลยแหละว่ั้นนะันก็สำคัญมากที่สุดก็คือการที่เราพยายามปรับความรูป้ปรับความเข้าใจในเรื่องพระคุณของพระพุทธเจ้าปรับความรูป้ปรับความเข้าใจในพระคุณของ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 ใจเราคิดถึงที่ไหนเชื่อไหมตัวเราจะไปอยู่ที่นั่นอะไรใจเราคิดถึงอะไรมากนะในที่สุดเราก็ไปไปอยู่แถวนั้นถ้าสมมติถ้าใจเราคิดถึงอะไรแล้วกายมันตายเราเกิดที่ไหนดีอ่ะเกิดที่ไหนดียอมโถ้าใจคิดถึงสิ่งใดมากๆถ้าเกิดตายมันกายมันแตกสลายเนี่ยนะยอมว่าเกิดที่ไหนดี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 เพราะถ้าเราคิดถึงบ้านมากๆถ้าตายตอนนั้นก็เป็นอะไรอยู่แถวบ้านนั่นแหละอันนั้ถ้าบุญนําเกิดนะเป็นผีบ้านผีเรือนอันนี้ถ้าบุญนะโอ้มีบุญมากนะไปเกิดเป็นผีบ้านผีเรือนเป็นเทวดาเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนดูแลลูกหลานนี่เรียกว่าคนมีบุญแต่ถ้าหมดบุญน่ะถ้าไม่มีบุญแต่เกิดในบ้านนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นปลวกเป็นอะไรก็ได้อยู่แถวแถวบ้านนั่นแหละแม่นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเขามาเป็นคนที่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 มีบางคนไข่บางคนมีพยาธิอยู่ในดวงตามันก็อยู่ในลูกตาบางพวกอยู่ตามเส้นเลือดบางพวกอยู่ตามร่างกายอวัยวะต่างๆเนี่ย น, นะวันจิตทั้งนั้นแหละที่นำเกิดหน้าที่ต่างๆวันเราเราเอาอะไรรับรองความปลอดภัยในการเกิดในชาติใหม่ น, นะถ้าไม่ตายก็แล้วไปแต่ตอ น, นี่เขาก็สวดงานไม่ใช่หรอโยมเนี่ย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 ก็มีโยมเข้าเอาพระไตยไปดอกมาถวายโยมกิมย้อนอย่างนั้นตอนนี้โยมกิมย้อนอยู่ไหนแล้วหลอกตายไปแล้วโอ้โหเนี่อตาอีกแล้วเหรออฟังแต่ข่าวประเภทนี้บ่อยๆว่าชักเชื่อเอ้เราก็จะไปเหมือนกันแล้วเนี่ยก็เลยตอนนี้ก็เรียก เ, เริยบเก็บบุญใหญ่เลยกลัวจะไม่มีบุญเราไปนําเกิดชาติหน้าเพิ่งได้เพิ่งได้ข่าวสักเมาาื่อเช้านี่แหละว่าโยมกิมย้อนตายแล้วเพิ่งรู้ว่างั้นโอ้โหนี่ค่อยๆทยอยไปเรื่อยๆจริงๆเลยเยเราเขาไม่เหลือนะเนี่ย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 เขามีอยู่ที่หนึ่งเขาเราียกว่าติดตั้งเครื่องสูบยุงว่าเอาไปเลี้ยงนกยุงไม้เป็นกระสอบอะยุงอะนะมันมากขนาดนั้นนะนี้เฉพาะที่เดียวนะแล้วพื้นที่อื่นอื่นอีกถ้าเราไปเกิดเป็นยุงเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมไปเกิดเป็นยุงบอกมีอะไรบ้างที่เป็นไปไม่ได้ใจเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดเป็นไปไได้หมดเลย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 ผลของกรรมกระแสของเหตุกระแสของปัจจัยกระแสของอารมณ์กระแสของความคิดที่มันไหลสืบเนื่องกันไปโดยกรรมโดยอุปนิสัยโดยอัธยาศั ย, ย, ปศยเป็นต้นก็จะคื อ, ค, อคือความจริงของชีวิตที่มันไหลไปสืบเนื่องไปเพราะฉะถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเลยหรือว่าถ้าเราไม่มีบุญพอเนี่ยนะมันก็อย่างว่าตอนคขามาเราก็มาคนเดียวมาแฝดเราก็ไม่อยากได้กันยิ่งแฝดรักกันมากโหติดกันมาเลยเอาไหมเราไม่เอาหรอก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 เหล็กทาสีทองทองเหลืองทาสีทองก็จะไหวยอยู่เท่านั้นจริงๆไหว้สีโอ้สวยดีกราบเห็นไหมบอกกราบอะไรกราบพระพุทธเจ้าว่างั้นเอ๊ะพระพุทธเจ้าความหมายของพุทธเจ้าคืออะไรกันแน่อันนี้คืาเรื่ารูปเหมือนรูปเปรียบเท่านั้นเองให้เราจะได้ระลึกถึงพระพุทธคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกราบเรื่องไหว้พระพระพุทธรูปนะพอ ม, มาก็กราบ แต่หมายคือว่าไอความรู้ความเข้าใจนี่เป็นตัวที่สําคัญที่สุด ป, ปัญญาจึงเป็นอริยสัพย์ปัญญาจึงเป็นอริยสัพย์เรียกว่าสแสวงหาปัญญาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ดับทุกข์ได้เนี่ยนะเรียกว่าสัตว์ข้ามอนุปกข้ามสังสารวัฏเนี่ยข้ามได้ด้วยอะไรบอกด้วยปัญญาข้ามการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยอนุภาพของ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 เครื่องสแสวงหาพระนิพพานมัคคะมัคโคเนี่ยนะเครื่องที่สแสวงหาพระนิพพานหมายคือว่าใครก็ตามถ้าต้องการบรรลุนิพพานต้องหามัคให้เจอถ้าไม่มีอริยมรรคเนี่ยจะบรรลุนิพพานไม่ได้หรือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้พระนิพพานมันถ้ า, ถ, าถ้าไม่ใช่นิพพานนะย่มหมดย่อมให้เกลียดทุกข์ให้ตายยมว่าไม่พ้นทุกข์อันนี้อันนี้เล่าแค่ อ, อะไรนะในใโอใสายบาดมานานแล้วก็เล่าให้ฟังตรงตรงเลย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 นั้นอะไรก็ตามเขาบอกว่าจริงความจริงกับความเชื่อบางทีก็ไม่ไม่เหมือนกันแล้วถามว่าจริงก็ไ ม, ม่ความจริงกับความเชื่อมันคนละอย่างและอะไรเป็นมาตรฐานเนี่แหละคือคือ น, นี่แหละที่เราต้องมีสาระไงทําไม่อย่างนั้นเนี่ยโอโ้ยุ่งเลยหมดเลยนะยิ่งคนที่ศึกษาพระาศาสนาในยุคนี้ด้วยเนี่ยจะสับสนมากเลยชีวิตเต็มไปด้วยความสับสนว่าโอ๊ยเขาเชื่อมั่นตัวเองมากเชื่อมาก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 S <S <an> เขามาเนี่ตั้งประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าไว้ประมาณสี่ประเด็นจริงไม่ได้คิดเองหรอกอัตถกถาท่านทาคิดเขาบอกว่าเขามีอยู่เมืองหนึ่งเรียกว่าเมืองไผ่สาลีกษัตริย์เมือ่อเขาเขาปกครองคล้ายๆสมบูรณ์อาณาเข้าไปเขาปกครองคล้ายๆประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยในเวทวงของเจ้าคือหมายก็ว่าเขามีเจ้าอยู่เชื้อเจ้าเนี่ยนะเชื้อวงเชื้อพระราชวงศ์เนี่ย เจ็พันกว่าวงก็ได้เจ็ดพันกว่าตระกูลพวกตระกูลกลุ่มเนี้ยมาปกครองปกครองคล้ายๆกับรัฐสภาแต่สภาเจ้าของเรามันสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมแต่ของเขาปีสภาแต่สภาเจ้าคือสภากษัตริย์เหมงอนกันเลยเขาก็จะพวกนี้จะมาปกครองบ้านเมืองทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยนะเขาเข า, เ, ข า, เ, ขาเวลาที่เขาประชุมบ้านเมืองเสร็จเขาจะมานั่งสนทนาธรรมกัน น, น, นะกษัตริย์เมืองไผ่าลีเมืองไผ่าลีเนี่ย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 และท่านตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรก็จะบอกให้หมดแล้วท่านสอนว่าอย่างไรเนี่ยนะก็จะมองก็แล้มองก็ก้วปุพพจริยาคุณเกี่ยวกับเรื่องอดีตของพระพุทธเจ้าพระสรีระคุณเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของพระพุทธเจ้าและพระพุทธคุณทั้งหลายคือคุณธรรมที่อยู่ในใจมีคุณธรรมเช่นใดเขาจึางเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าทําไมตอนที่ไม่ไปนั่งที่โคนต้นโพกรนหน้านั้นทําไมไม่เรียกพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรียกว่าเป็น พระโพธิสัตว์พอไปนั่งต้นโพเนี่ยท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้ว่าอย่างไรเข้ามาไปเนี่ยนะไปบางทีชเช้าตีสี่ลุกตีห้าเนี่ยไปแล้วไปที่ตรงนั้นแหะไปที่ที่ท่านตรัสรู้เนี่ยนะอยากรู้จริงกับท่านตรัสรู้อะไรประกันอย่างนีนแต่ก็อ่านไปเยอะแล้วนะรวบรวมหนังสือเป็นเล่มโตๆเลยแหละเอาไปนั่งดูไปเสร็จแล้วก็กลับมาฉันฉันเสร็จไปใหม่สายก็ไปแล้วก็ได้เวลาเพลก็กลับมาฉันเพนฉันเพนเสร็จก็ไปใหม่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 คนที่สรุปได้จริงคือพระอริยเจ้าหรือพระอรหันไปแล้วนั่นแหละจึงสรุปได้จริงๆถ้ายังไม่ใช่พระอรหัน์ยังเป็นนักศึกษาหมดศึกษานี่คือเรียกว่าศึกขาศึกขาเสขาเนี่ยนะพระเสขาก็คือพระนักศึกษาทั้งหลายแต่ศึกษาในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้แค่อ่านขีดเขียนนะไม่ใช่ศึกษาหมายว่ากระทําตัวเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าเรียกว่าศึกษาถ้าเป็นพระอรหัน์เขาเรียกว่าอเสขะแปลว่าศึกษาจบแล้ว เสขาธรรมมาเสขาธรรมมาเนวะเสขานาเสขาธรมาารมาเสขาธรมมากำลังศึกษาอธิศีณาธิจิตอธิปัญญาปฏิบัติเพื่อโซทำบรรลุโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็เป็นพระอ ร, ะอระหัตถ้ายัางได้อรหัตตมรรคอยู่ยังยงกำลังศึกษาอยู่ถ้าเป็นผ้าอารหันไปแล้วอรหัตตผลไปแล้วเรียกว่าสำเร็จการศึกษาแล้วอะตัวนั้นปแปล ว, ว่าสำเร็จหรือเจริญบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วนะ